แปลว่าเห็นแจ้งวินี่แปลว่าแจ้งปัจสตินี่แปลว่าเห็นเห็นอะไรครับก็คือเห็นอะไรเป็นอะไรก็เห็นอันนั้นมีอะไรเห็นก็เห็นอันนั้นแต่ถ้าเห็นกับตาเนื้อนี่ท่านไม่เรียกวิปัสนาเห็นวัวเห็นควายเห็นอะไรนี่ไม่เราไม่เรียกวิปัสนาต้องเห็นสัจธรรมครับคือเห็นรูปเห็นนามเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ย เห็นแจ้งที่ว่าเห็นแจ้งเพราะว่าเมื่อเห็นมันจะแจ้งขึ้นมาในใจเนี่ยที่จริงข้างนอกนี่ก็แจ้งนะเราหันไปดูใบไผ่นะครับมันเป็นความแจ้งของวิญญาณทางตาวิญญาณทางตาในภาษาฝรั่งมันสパーขึ้นเราก็เลยเห็นมันไนดะ้ถ้าเราตาบอดนะฮรหรือว่าวิญญาณทางตาไม่ปรากฏวิญญาณทางหูไม่ปรากฏมันก็ไม่แจ้งทางหูเช่น สมมติเราตั้งใจจะไปรับเพื่อนที่อยู่กุลพงคลหรือที่สถานีพุนพินในรถขบวนหนึ่งตาเรามองหาเพื่อนคนนั้นในตู้ในขบวนรถที่กําลังเข้าจอดเรามีมโนภาพล่วมหน้าต่อเพื่อนคนนั้นที่ในขณะนั้นอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งมาด้วยเราไม่เห็นครับตั้งแต่ตามมันเห็นเพราะวิญญาณไม่เกิดหรือเรากําลังเงี่ยหูฟังอันหนึ่งเสียงเสียงหนึ่งเราไม่ได้ยินครับ ทั้งๆ ท, ที่มันมีนั่นแสดงวิญญาณไม่เกิดในกรณีนั้นๆท้่ใส่ไหมครับตอนที่มันเกิดความสว่างนัน้นความสว่างของวิญญาณที่ตาเราเห็นรูปเนี่ครับเพราะวิญญาณตาคนตายแล้วนะครับยังดีนะเขายัางเอาไว้ฝากให้คลัง <c oughs> ดวงตาเพื่อให้คนอื่นก็ควักลูกตาคนอื่นได้เพราะตายังดีอยู่ แต่คนที่ตายแล้วแต่ตายยังดีนี่นเห็นอะไรไม่ได้เพราะขาดอะไรรู้ไหมครับหขาดอะไรขาดวิญญาณ น, นั่นเองครับคือขาดตัวชีวิตตัววิญญาณตัวจิตนั่นแหละอย่างที่ทุกคนมองมองผมตอนนี้เนี่ยจะ ถ, ถามว่าอะไรที่แหลเห็นไม่ใช่ตาของของพวกเรา ตามไม่เห็นอะไรกรับตามบอดตลอดเวลาหูนิหนวกตลอดเวลาสิ่งที่ทําหน้าที่รู้ทําที่เห็นนั่นคือวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูแล้วที่คิดที่รู้คิดนี่เป็นวิญญาณทางใจวิญญาณก็แปลว่ารู้แจ้งเหมือนกันนะครับรู้วิเศษยานเนาะแต่ว่ารู้แต่นั้นแม้กร่รนี้ทางตานี่ก็แจ้งครับ วันนี้ย้อนกลับไปสู่เรื่องความสุขนะครับความสงบสุขใดเสมอเหมือนความสงบเป็นไม่มีสงบตัวนี้ท่านใช้คำว่สาสันติหรือสันตินัติสันติต ร, รังสุขขังเคยได้ยินใช่ไหมครับผมเชื่อฟาสิตนี้มั น, มนคุ้นหูชาวพุทธมาก สงบตัวนี้ไม่ได้หมายอาการที่ของเวทนาขันที่นั่งแล้วเกิดปิติถ้าสงบเช่นนี้มีปัญหามันอยู่ยังอยู่ภ า, ายใต้อำนาจของความเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมครับยังอาพาธอยู่เหมือนที่พระเจ้าตรัสคือยังเปลี่ยนแปลงอีกเพราะไปสร้างมันขึ้นไปทำมันขึ้นดังนั้นสิ่งใดสิ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นย่อมสอทุกจริงไหมครับ มันเปลี่ยนแปลงอยู่อีกดังนั้นมันมันจะเรียกว่าสุขไม่ได้จะเรียกบรมสุขหรือยอดสุขไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนอีกเข้าใจไหมครับสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมส่อเขาว่าเป็นทุกข์เขายก บ, บ้านให้หลังหนึ่งแต่ก็บอกว่าผมจะเอาคืนเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องออกทันทีนะคุณจะเป็นสุขได้ไหมครับบอกบ้านหลังเนี้ ผมยกให้คุณแต่ผมจะเอาคืนชั่วโมงไหนเวลาไหนนี่คุณต้องออกนะทีนี้คนไม่รู้อะไรแค่ว่าโอ้โหเราได้บ้านอยู่พิเศษเหลือเกินผมคิดว่าคนมีปัญญาเขาคงไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่มหมยังเป็นทันเอลหลังนะ้เจ้าของบอกคุณออกได้เรียกว่าเปนสุขไม่ได้ดังนั้นสิ่งใดที่มันไม่เที่ยงปราบรูนเนี่ยมันย่อมส่อเขาเหมือนเป็นทุกข์ แม้ตอนนั้นมันไม่เป็นนะแต่ว่ามันสออเขาว่าจะเป็นทุกข์แน่จริงไหมฮะงงแน่ๆเลยครับแต่ว่าฟังๆมาเลยครับว่าสิ่งไหนที่ยังอยู่ในอำนาจของการเปลี่ยนแปลงยังไม่ถึงจุดเสถียรนะครับยังไม่ถึงจุดที่ตายตัวเนี่ยยังเป็นทุกข์อยู่ ดังนั้นความสงบที่เราสร้างขึ้นทําขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สอเค้าของความทุกข์จริงไหมครับเราเห็นใครสักคนหนึ่งเสรีสร้างเป็นคนมีความสุขถ้าผู้รู้ก็บอกไอ้นี่มันเป็นทุกข์เข้าใจไหมดังนั้นภาษิตบางภาษิตในฟังดูแล้วเข้าใจยากครับแต่แต่ก็ไม่ยากเกินเช่นพระเจ้าตรัส ท่านไมัได้ตรัดโดยตรงนะครับแต่ว่ามันพอนุรมเข้าได้ที่มาในหนังสือการมนิตวาสิทธินีครับอาการยิงฟันหัวรอรคือการของเด็กทารกร้องเพลงร้องไห้ผมเคยเฝ้าดูเพื่อจะสอบสวนนะภาิีนี้มันใช้ได้ไหมดูเพลงพวกนักร้องคอนเสิร์ต เวลาเขาร้องเพลงผมดูหน้าก็าบิดเบี้ยวมากๆเลยเขาแต่เขาร้องเพลงเรื่องความสุขเช่นตะโกว่าฉันมีความสุขกับตาเนี่ยคิว้วตาแทบจะถลนลงมาเลยรู้สึกเป็นเรื่องจริงนะครับคือม เ, เป็นความทุกข์แท้เลยจะร้องเพลงดิ้นเล่าแต่ทว่าคนรู้สึกกับเป็นสุข ก็จังนะครับเหมือนใสเดือนถูกที่เท่านะ่ยมันดิ้นไม่ไม่นิ่งเลยดังนั้นเองนะครับสิ่งที่เรียกว่าความสุขสุขนั้นเป็นสิ่งที่คู่กันกับความทุกข์เหมือนกับความมืดกับความสว่างนะครับ จะเรียก่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาชนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความทุกข์ก็ถอยไอ้ความมืดก็ถอยล่นไปพอความมืดลุกข้มาแสงสว่างก็หดล่นไปสุขทุกข์นั้นหมุนเวียนเปลี่ยนแ ป, ى, ปล่เปรียบด้วยฤดูกาลนะครับถ้าใครจะตามไปสร้างความสุขขึ้นอีกในวงจรของความเปลี่ยนแปลงนั้นนั่นเท่ากับเพิ่มแรงหมุนให้กับ วงเวียนอันนี้เข้าใจไหมครับไปหาความสุขคนก็ชอบฟุ้งนะฮะพอตกเย็นๆนะไปไปหาความสุขกันพอตกดึกกลับมาในหัวแบะมีเลือดอาบแล้ว <c oughs> น้ำเน็ดเหนื่อยนอกเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีที่ผมไม่ได้ดูภาพยนตร์ในโรงใหญ่วันหนึ่งผมมีเขาพาไปดูครับ มันจะเรียกเป็นครั้งแรกที่ผมเรียนรู้ว่าความสุขของมนุษย์นี่ทุกชัดๆเลยคือผมรู้สึกลงทั้งลงเนี่ยหมุนได้แต่ก่อนหน้านั้นผมก็ดูหนังเก่งเราดูหนังเราเรามีกำลังมีระบบภาษาที่แข็งแกร่งที่จะดูมันแต่ผมดูครั้งแรกหลังจากยี่สิบสามสิบปีไม่ได้ดู เวลาเราแผนกล้อ ง, งเลยเพรารู้สึกลงทั้งลงเนี่ยหมุนได้รู้สึกวิงเวียนถ้าจะอาเจียนให้ได้ชาวบ้านนอกทุกคนเนี่ยให้ดูภาพยนตร์นะครับก็จะอ้วกตากกันดีแต่คนในเมืองคุ้นมากๆเปรียบเหมือนคนที่ไม่เคยดื่มเหล้าเพรได้กลิ่นแทบจะอาเจียนแต่ว่าถ้านักเลงเหล้ า, ก, ลนน <c oughs> าก็ได้กลิ่นเนี่ยสดชื่นครับสดชื่นมากๆเลยได้กินเหล้าต่อ ผมให้ข้อสังเกตความสุขที่ชาว บ, บ้านรู้สึกนะที่จริงเป็นทุกข์นะเป็นความร้อนชนิดหนึ่งเป็นความเลอะเลือนชนิดหนึ่งสังเกตดูนะครับเมื่อความสุขชนิดนั้นเยี่ยมกลายข้ามานะสติเราจะฟั่นเฟือนทันทีเข้าใจไหมครับพอผู้หญิงผู้ชายเข้าใกล้นี่เริ่มฟั่นเฟือนทันทีเริ่มกระลิ้มกระเลี้ยเริ่ม เริมลืมตัวนะครับลืมสติตัวดัดดัดนี่ยมันไม่ดาดแล้วเนี่ยมันมันชักจะผงาดขึ้นมาเลยมันอยากจะทําน้นมีอาหางการนะครับอยากกทำโน้นทํานี้ขึ้นมาดุเดือดขึ้นมาแล้วแต่เราก็เรียกวความสุขแต่เป็นความสุขที่เจือด้วยทุกตลอดเวลาสุขเช่นนั้นเนี่อย่าไปต้องการมากครับอย่าไปปรารถนาเข้าอย่าไปตั้งเข็มว่าต้องคว้ามาให้ได้ ทำเช่นนั้นแล้วอันตรายมากมากเลยครับถ้าบุคคลจะสแสวงหาสุขนะครับพึงสแสวงหาสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภัยสุขที่เกิดจากวิปัสสนานี้ใช้ได้ครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลไม่พึงปฏิเสธสุขที่เกิดโดยธรรมที่ท่านตรัส ด, ดังนี้เพราะว่ามินักบวชในรัฐที่อื่นในอินเดียนั้น เขาเป็นปรปับปรับความสุขทุกรูปแบบก็ถือความสุขเป็นสิ่งเลวร้วายนั้นลัทธิสุดโต่งครับก็ถือคนเราต้องทรมานตัวให้มากสุขไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่พระเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนกลางๆว่าสุขมีอยู่สุขที่เจอโดยอามิ t h มีอยู่สุขที่ไม่มีอามิ t h ก็มีอยู่เช่นสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วก็รู้สึกแจ่มใสสดชื่นเบิกบานขั้นใช้ได้ครับ แต่แม้กระ น, นั้นก็ยึดถือไม่ได้คือให้มันเกิดเองแต่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่บุมศุขนะครับมันเป็นเพียงผลพวงเล็กๆน้อยๆผู้ภาษาฝรั่งที่หลายคนคือเขาเรียกเป็น byproduct คือเป็นผลพลอยได้ครับอย่าไปสนใจมากนะเมื่อเราปฏิบัติทำได้ดีเนะี่ยตื่นเช้ารู้สึกจําใสออกมาดืด้อๆเนะี่ย อย่าไปสนใจมันดีแล้วที่มันปราเกิดมาถ้าสนใจมันมากมันจะเกิดเป็นปิติครับแล้วเกิดสําคัญตนวุ่นวายเอ๊ะสงสัยเราจะเป็นพระอะหรหันต์แล้วมัง้งหรือสงสัยว่าเราจะวิเศษแล้วมั้งจะเหาะได้แลมันก็พาลงคูไปใหญ่เลยทีนี้ความสุขนี่นเป็นสิ่งสามัญนนั่นแหละครับไม่ใช่สิ่งวิเศษอะไร ที่ว่าสุขเหนือสันติเป็นไม่มีคนละสุขนะสุขที่เหนือสันติไม่มีนั้นนะครับหมายถึงความรู้สึกที่สิ้นดิ้นรนค้นหาจอบใดที่เรายังค้นหาอยู่เรายังไม่สุขแท้ครับ เราค้นหาอะไรครับถ้าถามกัในใจเรานะในใจเราทุกคนมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาดิ้นบางตอนมันก็ดูเศร้าๆลงเพีงเดียวก็ดิ้นอีกดิ้นห น, น, นอยากได้นู้นอยากได้นี้ทั้งนี้มันอยู่ในสายเลือดในระบบวงจรของโลหิตและกระบวนการโภชนาหารนครับบทตอนที่ผมอยู่ในเท็กซิสนั้นมี ภาพยนต์ข่าวนะครับที่เรืองด็อกทีเมนชุดหนึ่งซึ่งผมชอบมากว่ามันมีประโยชน์มากๆ mm hmm. นักเ ย, ยศาสตร์เขาเอาครึ่งส่งโทรทัศน์เล็กนิดเดียวสอดเข้าไปในในหลอดเลือดในหลอดโลหิตนะครับท่อโลหิตแล้วมันก็ส่งออกมาเป็นภาพบนจอใหญ่ขยายทั้งหลายหลายหมื่นหลายหลายแสนเท่า แล้วขยายเสียงด้วยนะครับผมนั่งดูตัวชาวเลยครับโอยรู้สึกว่ามันไอตัวเรานั้นไม่ใช่ตัวเราเลยมันเม็ดเลือดชนตัน ข, นขบวนรถไฟชนเนืน้ตูมท้าวตูมท้าวในนี้มันมันดิ้นตลอดเวลาเข้าใจไหมครับโดยข้างนอกเราดูเรามีผิวหนังฉาบลายดูอยู่หน้าตางดงามหรือเรียบร้อยดีแต่โดยภายในี่มันจ้าละหวันหมด ดิ้นรนซาฟรังหรือสไตร์วิงดังนั้นสังเกต ด, ดูบางวันเราจิตใจเราร้อนมากๆใช่ไหมครับดิ้นแทบจะคุม um, มันไม่อยู่เลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรกันแน่ครับนั่นคือรากฐานว่ามันเป็นทุกข์คที่จริงเนอะมันดิ้นบางคืนนอนไว้ลราเนี่นอนขากระตุกกระสับกระสายกระสับกระสายกระสับกระสายยิ่งหนุ่มสาวแล้วยิ่งแรงนะครับ พออายุสักส6บกแตกเนื้อสาวละอาละดินไปดินมานั้นร้องไห้ดื้อแรงผลักดันของธรรมชาติในฝ่ายไห น, นครับกติโบราณของคนโบราณคี่พอลูกสาวอายุสิบหกคุณพ่อสังเกตเห็นลูกแอบเข้าห้องนั่งร้องไห้กระซิบกสะิบต้องหาผัให้มันแล่ะมันนั้นยุ่งโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไหครับ ดังนั้นเราต้องรู้ว่าโดยรากฐานของโรรชาติของชีวิตนะครับมันดิ้นตราเวลาถ้าเราอยู่ในวงจรของมันนะัมันก็จะพัดพาเราไปเหมือนเราตกไปสู่กระแสของการดิ้นรนนั้นนะครัือธรดาเรือนั้นต้องอาศัยน้ำจึงแล่นไปได้ แต่ว่าในนองในการเนี่ยน้ําอาจจะฝังเรือลงในท้องน้ําก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าไม่มีน้ําเรือก็ไม่มแล่นไม่ได้แต่ว่าน้ําสามารถที่จะฝังเรือลงไปในท้องทะเลได้เหมือนกันถ้าไม่มีอาการดิ้นรนมนุษย์ก็จะไม่พัฒนาตัวเอง แต่ถ้าดิ้นเข้าไปในกระแสของมันมันฝังเราหน้าหน้าเลยจริงไหมครับกิเลสนั้นเปรียบด้วยกระแสคลื่นครับกระแสน้ำสติเนี่ยเปรียบด้วยเรือถ้าสติเราดีเบาแล้วก็ชัดมันก็ลอยพ้นกระแสของกิเลสมันก็อาศัยกิเลสนั่นเองครับที่ทำให้สติปัญญาเนี่ยรุ่งเรืองขึ้นคนมีกิเลสมากจะมีสติปัญญามาก กิเลสน้อยปัญญาน้อยไม่มีกิเลสก็ไม่มีปัญญาครับเช่นคนสิ้นกิเลสก็คือคนที่วิมุตต์แล้วหลุดพ้นแล้วก็ปัญญาไม่จะเป็นต้องใช้แต่ถ้ากิเลสมีอยู่แล้วไม่ตั้งสติไม่ใช้ปัญญาเนี่ยยุ่งแน่ๆเลยครับจริงมหมแต่เมื่อใดที่กิเลสเข้ามานะครับ ว่ารู้ตัวชัดขึ้นมาว่ากิเลสข้ามาเราต่อสู้เรารู้ตัวกิเลสยิ่งแรงสติปัญญายิ่งสูงกิเลสยิ่งอยู่ลึกซ่อนอยู่ลึกปัญญาก็ลึกถ้าเรารู้ทันนะคลคายงูมันขุดอยู่ในรูลึกไอ้นักเลงจับงูเนี่ยมันต้องขุดลึกแล้วพอมันเห็นร่องรอยรูที่ตั้งชนานึงนี้รูนี้ต้องลึกงูต้องเป็นงูชนิดนั้นเทิดนั้นอย่างนั้นเรียกว่าคนที่รู้จักงู ดังนั้นใครก็ตา ม, มนะครับมีกิเลสมากหรือน้อยไม่สําคัญอะไรครับเพราะถ้ากิเลสน้อยเปรียบเหมือนงูที่อยู่หลุมตื้นๆก็ขุดตื้นๆใช้ปัญญาที่เดียวกั น, กนละได้แต่ถ้ากิเลสลึกๆปัญญาเขาต้องลึกตามสติ ก, ก็ต้องทันสมาธิก็ต้องลึกซึ้งขึ้นมาดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับในความแตกตา่าง ไม่ต้องอิจฉาเพื่อนเขากิเลสน้อยจริงนะเรากิเลสมากเหลือเกินดีแล้วครับที่กิเลสมากจิตติปญัญญามันจะได้ลึกซึง้งแต่ข้อสำคัญที่สุดคือก็ต้องปฏิบัติให้ทันมันเท่านั้นเองนะไม่มีใครเลือกได้ครับเกิดมาครับเป็นอย่างนี้ภายใต้สถานการณ์แวดร้อมหนึ่งคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน เขมบคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งยั่วกิเลสน้อยปัญหามก็น้อยลงแต่ก็มีปัญหาไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหา ค, คนคนทีอยู่ในฐถานการณ์ที่ต้องต่อสู้มากเหลือเกินครับคำว่าสันตินั่นหมายถึงว่าเปรียบกับการเสร็จสึกเส่นต่อสู้กันถึงกันแล้วเกิดสงบ เพราะว่าสิ้นสึกเมื่อเราปฏิบัตินะครับสุติกับกิเลสจะต่อสู้กันอยู่วันนี้พอมาถึงจุดหนึ่งมันสะเทืินเข้าใจไหมครับคล้ายๆกรดกับด่างในเรื่องของเคมีเนี่ยกรดก็มีคุณสมบัติชนิดหนึ่งใช่ไหมครัใช่ไหมด่างก็มีคุณสมบัติอีกชนิดหนึ่งแต่พอเอามารวมมันเข้าแล้วมันเกิดปฏิกิริยาแล้วมันก็สเทืินใช่มไหมครับดังนั้นก็ไม่มี การเปลี่ยนแปลงอีกแล้วดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าสันตินั้นหมายถึงการไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนั่นไม่ใช่ความสงบซึ่งสร้างขึ้นซึ่งยังต้องเปลี่ยนแปลงอาละสรุปว่าข้านี้ไว้เท่านั้นนะครับว่า ลองทบทวนดูสิครับทวนคล้ายๆเราปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าทวนข้อข้อคิดตั้งแต่ต้นนะนย่เราควรทำอะไรนะครับ <c oughs> ความดีทำกับคนที่อยู่ข้างหน้าและทำทันทีในปัจจุบันนั้น และต่อมาอ น, นุเราจะค้นพบมโนกติซึ่งเคลื่อนไหวในตัวอย่างทองแท้ภายใต้การกระทำทางรูปธรรมด้วยการทำงานงานชนิดหนึ่งข้างนอกเป็นอาชีพเลี้ยงชีวิตงานอีกชนิดหนึ่งคือกรรมฐานเป้าหมายชีวิตก็คือความสุขอ น, นุเราควรจะเป็นส่วนหนึ่งของความสุข ควรเสริมสร้างความสุขของหมู่คณะเพื่อได้รับผลเป็นความสุขแต่นี่เป็นความสุขในเรื่องทางสังคมแต่ความสุขที่แท้ก็คือการสิน้นมานะอัตสมิมานะแต่วันนี้ผมก็พูดเรื่องความสุขที่ไม่สร้างขึ้นไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่เวทนาขันแต่เป็นการสิ้นสุดการดิ้นรนจำได้ไหมครับจำได้ก็ได้ไม่จำก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่ามันไม่สำคัญอะไรผู้ดได้ฟังนั้นครับแต่ว่าจุดสำคัญคือความรู้สึกตัวเนี้ยที่จะต้องแนบแน่นเขาทุกวันทุกวันเปรียบเหมือนผมจะอธิบายรูปพันสันฐานของห้องหับ เข้อของอธิบายล่วงหน้าก็ได้ไม่อธิบายก็ได้แต่ก็เอากุญแจให้ดอกบอกกุ้งไขก็ไปดูแล้วกันนะดังนั้นจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ใช่ไหมครับเพราะเมื่อไขประตูเไปได้แล้วอะไรมีมันก็เห็นเองอะไรไม่มีก็ไม่ต้องไปติดสนใจมันจริงไหมมันมีเท่านั้นครับดังนั้นข้อคิดเหล่านี้เป็นสิ่งเป็นของขวัญเล็กเล็ ก, ลกน้อยๆเท่านั้ น, นครับคือใหเอาคนไกลคิดเล่นครับ คิดเล่นเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจบางทีเราเผลอๆวิ่งคว้าหาความสุขจอมปลอมอา จ, จะนึกได้ก็ได้เอ๊ะไมเขาเรื่องเขาเลวาอะไรเข้าใจไหมครับถ้าสมมติเราหาสิ่งของสิ่งหนึ่งในวัดนี้จะเป็นพุชชาสัก ด, ดอกหนึ่งหรืออะไรสักสิ่งหนึ่งนะถ้าใครตั้งขอบเขตให้เราหา ก็จะง่ายเข้าใช่ไหมครับเชบอกเช่นอาจารย์บอกว่ากุญแจมันอยู่ในกุฏิในห้องนั้นที่มุมนั้นใกล้ๆ ก, ก, ก, กับวิทยุอย่างนี้เราง่ายขึ้นแล้วครับแต่ก็บอกว่ากุญแจมันอยู่ในวัดนี้โอ้โหถูกแต่ว่าหากันตาเหลือกเข้าใจไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามแนะ น, นําอะไรนี่ยที่จริงไม่สําคัญอะไรเลย ไม่ได้สำคัญตรงคาพูดผมชอบคาอธิบายของพุกษศาสนานิกายเซนที่ว่าคพูดนั้นการอธิบายธรรมะในคำพูดนั้นเหมือนเราสำรวจรายชื่ออาหารสำรวจทั้งวันก็มาด้กินครับจริงมันเป็นรายชื่อข้าวเหนียวน้ำทุเรียนแตงโมออาแกงไก่แกงปลาดุก ยิ่งพูดยิ่งหิวหนักขึ้นยิ่งพูดทำไม่เงยิ่งหิวหนักขึ้นคือยิ่งไม่รู้ครับแต่ว่าตอนที่เรากําลังเปิดมันเข้าปาก<ม>ตรงนี้เราจะรู้รสชาติหวานมันเผ็ดร้อนมันละ่ะดังนั้นพวกที่ว่าพวกเราปฏิบัติดีนะดีเรียกว่าดีมากๆความฉลาดเป็นเพียงของขวัญแล้วก็น้อยคๆเถอะความฉลาดไม่ไม่สําคัญอะไร ความจริงใจสำคัญกว่าแต่ผมจะเลือกเพื่อนเดินทางคนหนึ่งทางอันยาวนานคคนหนึ่งฉลาดแต่โกงสะบัดเลยคนหนึ่งซื่อแต่งโง่ผมเลือกคนหลังหรือคุณจะเลือกคนไหนดีครับเลือกคนเพื่อนที่ฉลาดแต่โกงมันพาไปหลังดีไหมดีเลยครับคุณก็ต้องนอนระวังทุกคืนนะคะัเขาฉลาดม า, มากๆ ในการปฏบัติธรรมนี่เหมือนการเดินทางครับถ้ามีใครบอกจุดสําคัญเอาไว้อันนี่ผมอ้างถึงสูตรได้พรามคนหนึ่งเลยเขถามพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่พระธรรมก็ตั้งอยู่พระนิพพานก็มีอยู่แล้วขอถามว่าสาวกของพระองค์เข้าถึงพระนิพพานทุกคนไหมพระพเจ้าบอกว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ทุกคน เขาก็ไม่เข้าใจทำไมอย่างนั้นท่ญญานบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าท่านจะทำไงได้ภาษิบว่าอคาตาโรตถาคตาตุเมหิกิจังอเดปังเราจะทำไงได้ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางส่วนการเดินเป็นเรื่องของเธอท่านเองท่านอธิบายว่าท่านชี้ทางว่าจากจุดนี้เข้าไปถึงนั้นพบ เปรียมันคนชี้ให้เข้ามาในสวนนะครับโดยพบต้นไม้ใหญ่ระวังให้ดีให้เลี้ยวซ้ายพบบึงน้ําจากนั้นก็เลี้ยวขวาพบทางสองแพร่งไปทางซ้ายอย่าไปทางขวาท่านชี้ทางแล้วจะไปถึงประตูหนึ่งแล้วเข้าถึงสิ่งที่ต้องการแต่แล้วคนเดินทางเองมันเพลินครับไปถึงสวนดอกไป ม, มันเลยพักอยู่ที่นั่นมันเพลิดเพลินกับดอกไม้ก็เลยไปไม่ถึงพี่าาเจ้าเปรียบนั้นนะครับ อีกประการหนึ่งนะครับในการเดินทางนั้นเรายิงเดินทางลึกซึ้งเข้ามาในตัวเองเท่าไรหร่นึงนครับเราต้องยินดีที่จะเดียวโดดยิ่งขึ้นจะมีคนน้อยคนลงที่เข้าใจคนที่ปฏิบัติธรรมชั้นลึกแต่ถ้าคุณปฏิบัติธรรมชั้นที่เป็นเพื่อการสมาคมนะครับ ก็จะมีเพื่อนมากขึ้นเราไมเข้ากลุ่มไหนสักกลุ่มนะครับแล้วปฏิบัติธรรมเพียงเพื่อการสมาคมก็จะมีพักพวกเยอะครับพูดจำนวนโบหารเดียวกันแต่ถ้าปฏิบัติลึกเข้าไปในเรื่องเรื่องจำเพาะรายเพาะตัวนะครับคุณจะพบว่าคน ร, บรอบๆตัวจะงุนงงแล้วก็เริ่มวางท่าทีกับเราไม่ใช่ว่าเขาเกลียดชังแต่เขาเข้าใจเราไม่ได้ เขะาจัจนหมครับบางท่า น, น, นก็ต้องยินดีที่จะเดินทางอย่างโดดเดี่ยวแต่นั้นเป็นเพียงช่วงหนึ่งการเดินทางเท่านั้นการปฏิบัติธรรมนัเหมือนการเดินทางไกลครับะจะเต็มริ้วยอุปสรรคนา น, นาประการลองฟังนิทานเรื่องนี้ดูครับเผื่อว่าจะ ได้รับทราบล่วงหน้าการปิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่งานมันเกิดที่จะได้กินเค้กฟรีๆหรืออะไรเหมือนน้องนั้นผมไม่ได้พูดให้ท้อใจนะแต่พูดให้ให้มีกำลังใจขึ้นเพื่อจะได้เห็นว่าอุปสรรคกันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองเรื่องนี้ก็คำมาก่าบผมผมไม่ได้รู้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้อ่านจากตำราไฟลไหน ฝรั่งคนหนึ่งเล่าให้ฟังแล้วเขาอ้างบอกนี่เป็นหลักของพุทธแต่ผมฟังดูแล้วก็เข้า้าดีแต่เขาไปเรียนจากไหนผมไม่รู้เขาไม่ใช่ชาวพุทธเป็นชาวคริสเตียนแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าพระพุทธศาสนานี้อาจจะแทนด้วยรูปนิทานเหล่านี้ได้เนื้อหางพุทธศาสนานใช่ไหมครับครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเนี่ยออกไปเดินเล่นในป่า ขณะกำลังเดินอย่างนั้นไปเจอหมีครับหมีควายที่ตโตโ ต, ตท่านก็วิ่งจิวอนันตริย ว, นะวิ่งหนีชีวิตแล้วไปจนมุมที่หน้าผาแห่งหนึง่งเมื่อไปจนมุมที่หน้าผาแห่งหนึ่งนั้นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับยืน่นออกไปริมผาไอหมีกําลังติดตามมาใกล้ๆ พระเังเลยปีนต้นไม้ที่ยื่นไปนี้ในหุบเหวหนึ่งครับขอบคุณมากครับไม่ทันได้ดูว่าที่ยอดไม้นะั้นมีงูหลามตัวหนึ่งกำลังเลื้อยลงมาจะเล่นงานท่านพระก็ตกใจไม่รู้ทำอะไรก็เอาสองมือห้อย ก, กิ่งไม้แล้วทิ้งตัวจะทิ้งตัวลงในเหวแต่ยังไม่ทิ้ง กลมไปดูที่ก้นเหวอ้าวมีเสือแม่ลูกอ่อนครับกำลังอ้าปากจะกินอยู่พระท่านไม่รู้จะไปทางไหนคิดอะไรไม่ออกความที่ปัญหามันรุกเข้ามาทุกด้านที่ข้างหน้าท่านนะครับมันมันมีผลไม้ลูกลูกไม้กเปรี้ยวเปรี่ยวจี๊ดเลยของต้นไม้ที่ท่านห้อยกิ่งนะกำลังสุกแดง พระเทเละาปะปากงับลุกไม้บอกมันจริงๆ ท, งาทานักทานนมันจริงๆเลยชีวิตนี้ฟังออกไหมครับเข้าใจมุกของเรื่องไหมผมคงเล่าเขาเรียกว่าตลกแห้งฮะล้มันคือไม่มีใครว่ารอดเลยแต่ผมชอบเรื่องนี้มากๆครับคือถ้าเรามีประสบการณ์มากๆแล้วเพราะว่าชีวิตมันโอ้โหน่าดูจริงๆนะครับ แต่ยังไงเสียมันก็มันจริงๆลองทบทวนนิทานเรื่องนี้ดูนะครับบางทีคุณอาจจะหัวล่อออกก็ได้เมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆ